13. บกุลทูสกัสิกาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลเรื่องภิกษุพวกพระอัชชิและพระปุณพสุกะ 431. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวสถีครั้งนั้นภิกษุชื่อว่าอัชชิและปุณพสสุกะ เป็นเจ้าทินเป็นอรชีเลวซามอยู่ในกีตาคีรีชนบทภิกษุพวกนั้นประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ำเองบ้างใช้ผู้อื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นเก็บบ้างร้อยดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นร้อยบ้างทำมาลัยต่อก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้าง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 ใช้ผืนนำไปบ้างซึ่งมาลายต่อกั้นมาลายเรียงกั้นดอกไม้ชอบดอกไม้พุ่มดอกไม้เทิดดอกไม้พวงดอกไม้แผงประดับอกเพื่อกุลสตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลกุมารีเพื่อสะพายของตระกูลเพื่อธาตุหญิงในตระกูลปิกสูพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบ้างดื่มน้ำในขันใบเดียวกันบ้างนั่งบนอาสนะเดียวกันบ้าง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 ร้องกับหญิงเต้นรำบ้างประโคมกับหญิงเต้นรำบ้างเต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้างเล่นหมากรุกแถวละแดตาบ้างแถวละสิบตาบ้างเล่นหมาเก็บบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นหมากไว้บ้างเล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถน้อยบ้างเล่นหกเมรบ้างเล่นไม้กังหันบ้าง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 ปรบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกมวยบ้างปูราดผ้าสังขาติท่ามกลางเวทีเต้นรำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนรำในที่นี้ดังนี้ให้การคำนับบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้าง432สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสีแล้วเดินทางไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค เดินทางไปจนถึงกีตาคิรีชนบทครั้นเวลาเช้าท่านครองอันตรวาศถือบาทและจีวรไปบิณฑบาต ท, ที่กีตาคิรีชนบทมีการก้าวไปการถอยกลับการดูแลการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกที่น่าเลื่อมใสสายตามองทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบทพวกชาวบ้านเห็นภิกษุนั้นแล้วพากันกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุนี้เป็นใคร ดูคล้ายไม่ค่อยมีกำลังเหมือนคนอ่อนแอเหมือนคนขมวดคิ้วก้มหน้าเมื่อท่านรูปนี้เข้าไปบินธบาตใครเล่าจะถวายอาหารบินธบาตส่วนพระอัชชิและพระปุณภพสุกะของพวกเราเป็นคนอ่อนโยนพูดไพเราะอ่ อ, อนหวานยิ้มแย้มก่อนมากล่าวว่ามาเถิดและมาดีแล้วไม่ก้มหน้าหน้าตาชื่นบานทักทายก่อนใครๆก็อยากจะถวายอาหารท่านเหล่านั้น อุบาสกคนหนึ่งเห็นภิกษุนั้นกำลังบินทบาทในกีตาคิรีช น, นบทคระแล้วได้เข้าไปหาภิกษุนั้นไหว้แล้วกล่าวกับท่านว่าพระคุณเจ้าได้อาหารบิณ ท, ทบาทบ้างไหมขอรับภิกษุนั้นตอบว่าอัตมายังไม่ได้อาหารเลยอุบาสกกล่าวนิมนต์ว่านิมนต์ไปเรือนกระผมเถิดขอรับแล้วพาภิกษุนั้นไปเรือนนิมนต์ให้ฉันแล้วถามว่าพระคุณเจ้าท่านจะไปที่ไหนขอรับภิกษุนั้นตอบว่า เจริญพร อ, อัตมาจะไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคอุบาสกกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและขอจงกราบทูลตามถ้อยคําของกระผมอย่างนี้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าข่าวัดในกีตาคิริชนบทสุดโสมภิกษุชื่อว่าอัตชิและปุณณภสุกเป็นเจ้าถิ่นอยู่ในกีตาคิรีชนบท เป็นภิกษุอรชีเลวซามพวกเธอประพฤติไม่เหมาะสมเห็นป่านนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆแม้พวกชาวบ้านที่เคยศรัทธาเลื่อมใสแต่เดี๋ยวนี้ไม่ศรัทธาเลื่อมใสท่านที่เคยถวายประจําแก่สงฆ์บัดนี้ทายกทายิกาเลิกถวายแล้วภิกษุผู้มีศีลพากันจากไปภิกษุผู้เลวซามอยู่ครอบครองขอประทานวาโรกาดเถิดพระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคโปรดส่งภิกษุทั้งหลายไปกีตาคิรีชนบทเพื่อวัดจะได้ตั้งมั่นอยู่สืบไปในที่นั้นภิกษุนั้นรับคําของอุบาสกแล้วได้เดินทางไปกรุงสาวัตถีไปถึงกรุงสาวัตถีถึงพระเชตวันอารามของอนาถบิทิกะเศรษฐีโดยลำดับเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งลงณที่สมควร